บางเทอบางคนเนี่ยเกิดมาทั้งชีวิตคิดจะฆ่ากี่ครั้งเองแล้วฆ่าสำเร็จกี่ทีเองถ้าเทียบ ว, ว่ า, าทำบาปกับทำบุญเนี่ยอันไหนสามารถทำได้มากกว่ากันถ้ามาลองคิดให้ดีๆนะจะทุ่ศีลแต่ละข้อไม่ใช่ง่ายเลยนะยากมากเลยนะเรื่องเรื่อ ง, องนักฆ่าเนี่ยแม้กระทั่งยิงนกยิงหนูเอาเถอะกว่าจะได้สักตัวหนึ่งที่เดินตะขอแห้งเลยเนี่ยนะ เขามาจำหน้าเขมาเคยไปยิงหนูเนี่ยเดินทั้งคืนเนี่ยนะไม่ได้หนูแม้แต่ตัวเดียวเหมือนกันยิงหนูน่ยไม่ต้องไปฆ่าช้างฆ่ามาอะไรที่ไหนหรอกหนูเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยนะหาล่าหนูเนี่ยทั้งคืนไม่ไ้หนูแม้แต่ตัวเดียวก็มีเนี่ยนะหมดแบตเตอรี่ไปเป็นมอว์มอว์เหมือนกันเนอนะเดินเท้าขามคุณน้องเมื่อยหมดนะไม่ได้ทักตัวเลยเหแต่ถ้าถามว่าแหมถ้าสมาทานศีล ร, รักษาศีลเท่ า, รร า, รรานั้นอ่ะตั้งใจให้ความคิดมันเท่ากับ ว, ว่าจ้องหาชีวิตคนอื่นเนี่ยนะ ถ, ถ้าคิดให้มันเป็นศีลได้ขนาดนั้นน่ะนั่นก็ศีลของเรานี่ก็ศีลของเราชีวิตเขาก็คือศีลของเราคือความคิดอันนี้เป็นอริยศพัพพเนนะเป็นอริยศัพ์เป็นถ้ารักษาอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยอันนี้แหละศีลพวกนี้จะพัฒนาเป็นที่ตั้งแห่งศีลานุสติถ้าแม้ชาตินี้ปานาทิปาตาว่าครั้งเดียวเนี่ยวันหลังเจริญศีลานุสติได้ไหมอะไรมาเจริญ ต้องสมาทานบ่อยๆระลึกถึงบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆคิดหนึ่งทีก็เป็นศีลหนึ่งทีเนี่ยนะคือถ้าหากว่าจะเราจะรักษากายให้เป็นสุจริตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะหนึ่งเขาเขามีอะไรเขามีชีวิตเราให้ความปลอดภัยในชีวิตสองเขามีทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินเขามีบุตรภริยาและคู่ครองให้ความปลอดภัยในบุตรภริยาและคู่ครองเลยนะอันนี้ถ้าเราทําอย่างนี้เราจะไม่ไม่มีความชั่วทางกายแล้วจะ สมาทานศีลอันนี้ให้บ่อยๆทุกครั้งที่คิดเป็นเป็นอริยรัพย์ถ้าบอกว่าแม้ถ้าใครที่นึกถึงบอกพูดอย่างนี้แล้วไม่ค่อยปลื้มใจแลยค่อนข้างอุเบกขาถ้าศีลข้อเริ่มต้นอย่างนี้อุเบกขานะไม่ต้องพูดสมถะวิปัสสนามกผลชั้นสูงอะไรที่ไหนหรอกเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรรองรับมรรคผลเลยไม่มีอะไรรองรับสมถะและวิปัสสนาเลยไม่ต้องกลัวว่าศีลจะเกินไปไม่มีเกิน เพราะคนที่มีศีลมีแต่ว่าหาที่สุดไม่ได้ไม่มีเกินมีแต่หาที่สุดมิได้และไม่ได้พูดตําหนินะคำว่าเกินปกติเป็นคําที่ติตําหนิติเตียนกันใช่ไหมแต่นี่ไม่มีนะศีลเนี่ยมีแต่ดีอย่างเดียวเพราะเป็นภาเวตประธรรมทำสามเอ่อทำทำแปดที่ควรเจริญคืออะไรคืออริยมรรคอันประกอบไ ป, ปด้วยองค์8ดมีอะไรบ้างสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะแต่ตรงนี้เน้นพิเศษคือ ศีลทางกายพระพุทธเจ้าความที่พระองค์มีศีลมากอย่างนี้เนี่ยนะพระองค์เนี่ยจึงอยู่ที่ไหนพระองค์ก็อยู่ได้ความที่พระองค์รักษาศีลมาดีเยี่ยมอย่างนี้ทั้งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยนะพระองค์จึงมีชีวิตที่อายุยืนแล้วก็มีอะไรมีโภคซัพย์มากมีอริยรัพย์มากแล้วก็พระองค์เป็นที่รักแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ก็ไม่เคยกลัวไม่หวัน่นและก็ไม่ ภาวะไม่ตกใจเนี่ยนะไม่ตกใจไม่ไม่หวาดไม่หวัน่นแล้วก็ไม่ภาวะแล้วก็ศีลข้อนี้ดีเนี่ยนะก็ให้เห็นว่าความคิดที่รักษาศีล น, นี้เป็นเป็นซับแล้วก็เป็นอริยซับเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าใครที่คิดบอกว่าแม้อยากจะเริ่มต้นประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่านี่สิเบื้องต้นเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลนะถึงพร้อมด้วยศีลมีศีลอันสมบูรณ์อยู่เถิด นิสัยเนี่ยเมื่อมันเกิดกับความคิดเนี่ยต้องคิดให้บ่อยๆคิดจนว่าความคิดนั้นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความปราบปลื้มใจเนี่ยให้มันมีคุณค่ามีมูลค่าแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความปราบปลื้มใจเนี่ยระเลิกไว้บ่อยๆเธอศีลเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ดีจริงเ่ยพระพุทธเจ้าไม่สอนพราหมณ์ผู้เท่าอายุร้อยยี่สิบปีหรอกมอีครั้งหนึ่งพราหมณ์ผู้เท่าอายุร้อยยีปีมาถามพระพุทธเจ้า ว่าเขาอายุมากแล้วไม่มีเครื่องป้องกันภัยเลยอายุร้อยปีแล้วเนี่ยนะไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพคกบอกให้สมาทานศีลให้รักษากุศลเจตนาอันนี้เอาไว้เพราะนี่ยนะศีลเนี่ยจึงมีประโยชน์แล้วก็เป็นฐานรองรับการตรัสรูต้ต่อไปในอนาคตเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์บางคนก็บอกแหมขอให้มันไปสวรรค์หนึ่งเธอเขาบอกถ้าคุณรักษาศีลไม่ดีแล้วคุณจะมีอายุยืนเท่าไหร่เออ ไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยมันสวรรค์เนี่ยมันจริงอยู่อายุเช่นเกาล้านปี36ล้านปี5้ารอกว่าล้านปีอายุยืนจริงแต่เราจะไปมีบุญอยู่กี่ปีเอาถ้าศีลไม่ดีจะไปาอายุยืนได้ไหมบอกยากนะบางคนเนี่ยถ้าให้ทานมาดีมากให้ทานเยอะมากแต่ศีลไม่ดีอายุสั้นน่าสนใจหนะหรือว่ า, าให้ทานไว้เยอะมีทรัพย์มากแต่ว่ามีเมื่อไหร่มีแล้วหมดมีแล้วหมดเนี่ยนะมีทุกครั้งที่มีหมดทุกครั้งเลยเนี่ยนะ น่าปลื้มใจไหมไม่มีมีทรัพย์มากแต่ศัตรูเต้มไปหมดแล้วแทบจะอยู่แบบอะไรนะเอาไว้เท่ากับแบบอะไรอยู่เหมือนกับอยู่ในคุกคนเดียวเลยนะเป็นก็ได้อะไรนะสมัยใหม่ก็จะจัเพราะมากเลยนะป้องกันกระสุนป้องกันระเบิดที่ไหนได้ก็ถูกขังนั่นแหละจะมีอะไรเนี่ยนะไปไหนก็ไม่ได้จะไปคุยกับใครก็ไม่ได้ก็แปลว่าถูกขังดีๆนี่แหละใช่ไหมอย่างเช่นประธานาธิบดีบางคนเนี่ยนะไปไหนก็เหมือนกับถูกขังอยู่ตลอดเวลา เพราะอะไรเพราะว่าทําเหตุไว้ไม่ดีเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องหมั่นสมาทานอธิษฐานรักษาให้บ่อยๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลและพระองค์ก็สา ม, มารถที่บัญญัติศีลแล้วก็ศีลอันนี้ น, น, น, นะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะว่ารองรับคุณธรรมชั้นสูงแล้วก็ศีลอันนี้เป็นทรัพย์เป็นไปได้ก็ควรสมาทานอย่างน้อยที่สุดให้ได้วันละสองครั้งเช้ากับก่อนนอนอย่างน้อยนะแต่อาหารเราทานทั้ง3ครั้งใช่ไหม สีนเนี่ยจะสมาทานใช้เวลาแหมสีสามข้อนีที่พูดไปเมื่อกี้ใช้เวลานานเท่ากับเคี่ยวอาหารหนึ่งคำไหมเว้ยสดกาแฟคำหนึ่งก็น่าจะหมดถ้าเรากับสมาทานสีนแล้วเนี่ยนะสีมันแมมันมีราคาน้อยขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยนะก็ต้องทำยังไงให้มันคิดให้บ่อยๆให้ดีแล้วก็มีประโยชน์คนที่รักษาสีนเนี่ยนะจะมองเห็นทุก จะมองเห็นทุกที่เป็นที่ตั้งแห่งชีวิตสัตว์ทักกระจายศีลดีให้ดีๆเนี่ยนะทุกที่เป็นที่ตั้งแห่งชีวิตของสรรพสัตว์ก็รักษาเจตนาอันนี้เนี่ยนะแล้วก็ทรัพย์ของเราในโลกนี้มีมากหรือมีน้อยในโลกทั้งโลกเลยนะ ถ, ถ้าาแหมวัดเป็นฝุน่นแล้วเนะี่ยเท่ากับลายฝุน่นของโลกอ่างนั้นเถอะนี่เดียวจริงๆแหละถ้ามันน้อยอย่างนั้นที่เหลือนี่ทรัพย์ของผู้อื่นแต่ทรัพย์ของผู้อื่นก็ไม่เป็นลายศีลของเราทั้งหมดเลยเนี่ยนะ ถ้าเราอยากจะได้ทรัพย์เหล่านั้นก็ได้มาโดยชอบธรรมงไได้มาโดยชอบธรรมโดยการประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยนะทีนี้อย่างศีลข้อที่สามเนี่ยนะคนอย่างมากก็มีคู่กันกี่คนเองนะที่เหลือก็มีอะไรบุคคลที่เป็นศีลของเราหมดเลยวันเห็นใครก็เห็นศีลมาแล้วแล้วก็ศีลไปแล้วถ้าคิดทุกคนเป็นที่ตั้งแห่งศีลหมดคิดถึงใครจะไปอบายบ้างไหมกฎกติกาของการไปสู่อบายเนี่ยนะใครที่เรียนอภิธรรมาดีเนี่ย อารมณ์ที่ทำให้เกิดในอบายเนี่ยแบ่งออกเป็นสามอย่างหนึ่งกรรมมะอารมณ์สองกรรมนิมิตอารมณ์สคตินิมิตอารมณ์อันนะทั้งดีทั้งชั่วก็นยยะเดียวกันนนี้ถ้าแต่จะยกมาถ้าคนที่นึกถึงว่าเช่นนึกถึงว่าเจตนาเราเนี่ยเคยมีเจตนาฆ่าแล้วระลึกถึงเจตนาที่ตัวเองฆ่าเคยมีเจตนาลัก แล้วระลึกถึงเจตนาอันนั้นมีเจตนาในการประพฤติผิดในกรรมแล้วนึกถึงเจ lasers, ตนาอันนั้นนึกถึงเจตนาตัวไหนตัวนั้นนําเกิดใช่ไหมนึกถึงเจตนาในปาณาติบาตเจตนาในปาณาติบาตนําเกิดเออตอนก่อนตายนี่เรามีสิทธิเลือกงนะเลือกนึกเอาเลเลือกเอาเจตนาในปาณาติบาตเจตนาปาณาติบาตก็นําเกิดแล้วลึกถึงเจตนาฆ่าเจตนาฆ่านําเกิดแล้วลึกถึงเจตนา ลักทรัพย์เจตนาลักทรัพย์นำเกิดระลึกถึงเจตนาประพฤติผิดในการมเจตนาประพฤติผิดในการมนำเกิดอันนี้ฝ่ายชั่วถ้าฝ่ายดีระลึกถึงเจตนาที่เว้นจากปาณาติบาตรละปาณาติบาตรก็คือระลึกถึงศีลข้อที่1ศีลข้อที่1จะนำเกิดระลึกถึงศีลเจตนาที่รักษาศีลข้อที่สองเจตนารักษาศีลข้อที่สองนำเกิดรักษาศีลข้อที่สระลึกถึงศีลข้อที่สมศีลข้อที่สามจะนำเกิด เมื่อกี้ที่เราบอกว่าอันนี้สงฆ์้องศีลมีห้าอย่างไว้หนึ่งได้ประสบโภคะกองใหญ่เพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหตุสองกิตติศัพท์อันดีงามของผู้มีศีลย่อมกระฉ่อนไปสามเข้าสู่บริษัทใดๆเป็นผู้องอาจไม่ขวยเขินเข้าไป ส, าาสีไม่หลงทมกาละลืมตายใช่ไหมหลงอ้าวหลงทำกาละแปลว่าอะไรหลงทำกาละแปลว่านึกถึงศีลไม่ได้นึกถึงแต่ความชั่วยางเดียวเรียกว่าหลงตาย หลงมุลโหเนี่ยมาจากโมหะสัมมุนโหกาลังกรโรติเนี่ยนะแปลว่าถึงความด้วยหลงตายเนี่ยโมหะเต็มที่เลยอ่ะนะนึกถึงศีลไม่ได้ก่อนตายเรียกว่าหลงตายมันเป็นภาษาทางธรรมะเนี่ยนะแปลว่าโงา่เขางมงายมากเลยก่อนตายอ่ะเพี้ยนไปหมดเลยเบลอไปหมดไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยแต่ถ้าสมาทานศีลไว้ดีๆเนี่ยนะถามว่าศีลอย่างศีลทั้งสามข้อเนี่ยเราต้องย้ํามากขนาดไหนจึงจะ จึงจะอะไรนะจึงจะมาคิดถึงได้ก่อนตายต้องย้ําบ่อยไหมยังนึกถึงมันก่อนยอมเขาเล่าให้ฟังบอกอายุมากๆเข้านะจําชื่อเพื่อนยังจําชื่อไม่ได้เลยจําชื่อภริยายังจําชื่อไม่ได้เลยมันก่อนยอมเขาเล่าให้ฟังพอพอเรียกว่าพอไม่สบายหน่อยเนี่ยแหะจําชื่อภริยาตัวเองไม่ได้เนี่ยนะ จำแม่บางคนนี่จาชื่อลูกไม่ได้เลยจําชื่อสามีไม่ได้เลยจําชื่อจําชื่อใครไม่ได้เลยท่นจะจําศีลได้ไหมล่ะอ๋อมันน่าคิดเหมือนกันนะเรียกชื่อเรียกแท้พูดคุยกันไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีมันต้องหมันสมาทานศีลให้บ่อยๆให้มันนึกถึงศีลได้ก่อนตายแล้วก็ย้ําในการะระลึกว่าเราเป็นผู้ที่สมาทานศีลเราเป็นผู้มีศีลศีลของเราไม่ขาดไม่ด่างไม่พลอยไม่ทะลุเนี่ยนะย้ำบ่อยๆเพราะอย่าลืมว่าเรื่องนี้คาความคิดทั้งนั้นนหะ เรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรทั้งหลายเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเรื่องอะไรมีอยู่ที่ความคิดทั้งนั้นแหละนี่ความคิดมันก็แบ่งถ้าพูดภาษาธรรมะเนี่ยนะความคิดความคิดก็คือจิตจิตมันแบ่งออกเป็นสองโลกิยาจิต ก, กับโลกุตระจิตจิตที่แบ่งเนี่ยโลกิยาจิตมาแบ่งเป็นอะไรแบ่งประเภทกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรเนี่ยนะกามาวจรก็มาแบ่งเป็นอะไรเป็นอกุศลจิตเป็นอหตตกะจิตเป็น กามาวจระโสพนาจิตอกุโซรจิตก็แบ่งเป็นกลุ่มโลภะโทสะแล้วก็โมหะอหตุกะจิตแบ่งเป็นอะไรทวิปัญจะแบ่งเป็นยังไงแบ่งไม่ยากหรอกก็คือความคิดนั่นแหละมาแบ่งจัดกลุ่มจัดประเภทก็คือโลกของความคิดทั้งนั้นแหละถ้ามาจัดอย่างนี้แล้วไอ้ความคิดที่ทำให้ทุ่สีลความคิดชนิดไหนความคิดที่เป็นศีลคืออะไรเลือกคิดเอาทั้งนั้นคิดเป็นถ้าคิดเป็นก็บิลบุ ญ, บญทั้งวันเชื่อไหมในโลกนี้คนที่มีไรายได้สูงสุดเป็นกนักค่าความคิด คนที่คิดเป็นนะทนั้ะถึงคนที่มีมีทรัพย์คิดได้ยังไงคิดได้สองประโยชนก็มีตังใช้แล้วอย่างเงี้ยมันโลกของความคิดทั้งนั้นแหละอันหนึ่งนะฮะอย่างที่สองเนี่ยเจ้าของโครงการทั้งหลายก็คิดเอาทั้งนั้นแหละแล้วอย่างต่อไปน ะ, ะแล้วคนที่บุญชั้นสูงเนี่ยเป็นบุญที่ใช้แรงกายทําใช่ไหมจริงจะเป็นบุญมากแม้ฉันมีศรัทธามากเอาอิฐมาเรียงกันเป็นพุทธบูชาแล้วได้บุญเยอะๆเนี่ยนะใช่ไหม ถ้าเทียบกับศีลไห น, บ, กก น, นบุญมากกว่ากันศีลบุญมากกว่าศีลถ้าเทียบกับภาวนาไหนมากกว่ากันภาวนาพวกนี้เป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดถ้าความคิดดีเท่าใดประณีตเท่าไรลึกซึ้งเท่าไรมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นแล้วมรรคผลอยู่ที่ไหนอยู่ในความคิด น, นะมรรคผลจริงๆก็คือสิ่งที่เกิดร่วมกับความคิดแต่เป็นความคิดที่ประกอบด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดพระ อ, องค์จึงบอกว่าสิ่งที่มีอุปการะคุณมากที่สุดก็คือการตั้งความคิด ไม่มีอะไรที่จะมีคุณมากเท่ากับการตั้งความคิดอย่างที่สุดที่อันสเลกกระทำนะแม้แต่จิตตุบาทในกุศลยังมีผลมากจะกล่าวไปยายถึงจัดแจงด้วยกายและวาจาเล่าแปลว่าแม้แต่ความคิดเนี่ยนะก็ยังมีผลมากนี้ถ้าเพิ่มพูนคุณภาพตัวความคิดล่ะให้เป็นความคิดที่ดีแล้วก็มีสาระมีคุณค่าเป็นความคิดที่ประกอบกับศีลเนี่ยนะประกอบกับศีล ถ้าเป็นความคิดที่ประกอบกับศีลก็แปลว่าความคิดตัวนั้นรองรับความคิดดีๆอีกหลายตัวก็คิดดูง่ายๆถ้าเราลำบากใจเนี่ยนะธรรมะเข้าใจง่ายไหมยากมากเนี่ย น, นะก็ถ้าเราลำบากใจไม่สบายใจป่วยทางใจก็แสดงว่าต้องบอกพร่องทางกุศลจิตแน่นอนก็มีความบกพร่องทางกุศลจิตก็รองรับคุณธรรมชั้นสูงอีกไม่ได้เพราะนก็ต้องหมั่นสมาทานตั้งใจไว้เลยที่จะ รักษาตั้งใจรักษาเจตนาเว้นจากปานาติบาตเจตนาตัวนี้ก็เป็นทรัพย์อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคนที่จะมากที่จะบรร ล, ลุมรรคผลเนี่ยจะต้องเจริญอริยรัพย์ให้เป็นอธิปไต ย, ยใหญ่มากเลยนะอธิปไต ย, ยโถนเนี่ยอธิปไต ย, ยโถนเนี่ยเยอะมากใหญ่มากถ้าคิดแค่นี้พอไหมไม่พอแต่ถ้าไม่เอาอันนี้เลยได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะพราะนศีลตัวนี้จึง สำคัญมากเลยนะนชีวิตของผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานอันเป็นอมตะได้จะต้องรักษาศีลที่เป็นปัใจจัยให้ไปสู่อมตะเนี่ยนะเป็นหนทางเป็นแล้วก็ศีลเหล่านี้เป็นมัชชิมาปฏิปทาในท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยการเขียนฆ่ากันเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเลือกเฟ้นค้นพบว่าการรักษาศีลเนี่ยช่วยให้พ้นทุกข์ได้ก็ชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เนี่ยนะยิ่งในท่ามกลางปัจจุบันเนี่ยมีไม่มากหรอก คือเราเออก็อย่ามาพูดแต่ว่าโลกของสันติเช่นไม่เข็นไม่ฆ่ากันแต่ไม่ค่อยว่ารักษาเจตนาว่าพวกเราต้องมีแนวความคิดว่าการฆ่าเป็นสิ่งเลวร้ายรักเราการที่ทาลายเจตนาฆ่าเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าช่วยกันรักษาเจตนาอันนี้ให้มให้มากๆนะอันนี้คือศีลซึ่งปัจจุบันนี้ก็รักษากันน้อยมากเนี่ยนะทรัพคือศีลก็เลยค่อยๆ บอกพร่องไปเนี่ยนะลดร้อยบอกพร่องไปเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามันอธิษฐานมันสมาทานมัน่นรักษาศีลเพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นผู้มีศีลเนี่ยนะแล้วก็เราทั้งหลายถ้าปรารถนาที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เบื้องต้นเลยก็คือการสมาทานศีลคิดง่ายๆว่าชีวิตของคนอื่นชีวิตของสัตว์อื่นคือศีลของเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําลายชีวิตของเขาถ้าเราจะทําลายทําลายเจตนาที่ จะฆ่าเขาขอสมาทานทำลายเจตนาในตัวเองเพื่อรักษาชีวิตของสรรพสัตทั้งหลายทำลายเจตนาที่จะลักทรัพย์เพื่อรักษาทรัพย์ของคนอื่นเขาทำลายเจตนาที่จะทำผิดกาเมหรืออพรหมจันทร์เพื่อรักษารักษาอะไรรักษาบุตรภริยาคู่ครองเป็นต้นของผู้อื่นเนี่ยนะรักษาพรหมจันทร์ของตนให้ยั่งยืนเพราะฉะนั้นด้วยอนิสงส์ที่ได้ฟัง เ, นะเรื่องศีลของ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จะเป็นแนวทางเป็นหนทางให้เราได้สมาทานอธิษฐานนะศีลตามพระองค์ก็ขอศีลอันนี้จงเป็นไปเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้เพื่อปรินิพานต่อไปในอนาคตด้วยการทุกท่านขออนุมโมทนา